สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรรายการของเราเนี่ยออนแอร์ไปหลายครั้งแล้วนะคะบางครั้งเจ้าค่ะบางครั้งก็มีคําถามจากทางบ้านบางครั้งก็ไม่มีคําถามแต่ก่อนอื่นแต่วันนี้ที่ที่ทรู้ๆเลยโยมมีคําถามเจ้าค่ะ<อ>ก่อนที่จะเข้าสู่คําถามอยากให้พระอาจารย์ เชิญชวนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าจะเข้ามาที่ช่องทางนี้ได้อย่างไรเจ้าคะ่ะเข้ามาฟังได้ทาง e a s y h a m a เป็นหน้าเพจของ a c e b o o k นะสะกดว่า easydhamma ตัว e เนี่ยตัวใหญ่ที่เหลือนี่ตัวเล็กหมดติดกันด้วยเจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ า, าใครที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเพื่อนส่งไฟล์ไปให้ฟังเนี่ยนะ ได้ยิน อ, อันนี้แล้วเนี่ยอย่าลังเลเข้ามาฟังจะได้มาฟังธรรมะได้มามีเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขในใจเกิดขึ้นมีความทุกข์ในใจลดน้อยลงวันนี้ยอมแอมีคำถามอะไรหล่ะวันนี้นะเจ้าคะยอมมีคาถามที่อยากจะถามมากๆเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำทานต้องเรียกว่าทำทานทุกประเภท นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบุญนี่แหละทำประจำมาก เ, เนื่องจากในชีวิตในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้คนในสังคมเราเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเยอะมากมไม่ต้องแจกแจงในชีวิตประจำวันเนี่ยนอกจากการตั้งแต่ขับรถดูความเห็นแก่ตัวของคนบนท้องถนนที่ทำงานก็ตาม เ, เพื่อนก็ตามคนรอบข้างเราก็ตาม พระอาจารย์สอนยมเสมอว่าให้ใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันได้อย่างไม่ให้ขาดทุนหมายถึงว่าต้องบอกท่านผู้ฟังนิดนึงไม่ให้ขาดทุนหมายถึงว่าเราสามารถอยู่กับ เ, เรื่องสิ่งกระทบต่างๆในชีวิตประจําวันได้โดยที่จิตใจเราไม่ไม่ขาดทุนต้องบอกคือความสุขเนี่ยคือคนเราเนี่ยถ้าเรามองความสุขแล้วพูดถึงความสุขเนี่ยคนเราสมัยนี้มองความสุขตีค่าเป็นตัวเลขนะตีค่าเป็นตัวเงิน ทีนี้ถ้าเรามองทุกอย่างเป็นตัวเงินเนี่ยหรือมองทุกอย่างจากภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็ถูกต้องอะนะแต่มันก็ถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยนอกจากมันมีสิ่งต่างๆภายนอกแล้วเนี่ยมันมีอีกอันคือจิตใจนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เราประเมินความสุขของเราเองเนี่ยจากตัวเงินก็ดีจากสิ่งของก็ดีอย่างเช่นเนี่ยคนที่คิดว่าเรามีเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยที่มันหรูหรา ตามค่านิยมแล้วเราก็จะมีความสุขหรือเรามีตังในธนาคารมีเงินเก็บมากมายโอ้โหชีวิตเราถึงจะมีความสุขบางคนน่าจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าความสุขอาจจะวัดที่ยอดของเงินในธนาคารค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเรามองให้ดีเนี่ยเรายังมองไม่สุดทางนะหมายความว่าการที่เรามีเงินมากๆ เราก็หวังว่าเอาเงินตัวเนี้ยเพื่อที่จะไปซื้อความสุขอีกทีนึ่งอย่างเช่นเราไปได้กินของที่ถูกใจหรือว่าเราได้อยู่ในที่ที่มันสบายไม่ร้อนหรือว่ า, าได้ไปนุ่นมานี่อย่างที่เราอยากไปก็คือเราก็ต้องมีตังนี้แหละแต่ทีนี้ว่าถ้าเราตีตรงเนี้ยว่าเป็นตัวเงินอย่างเดียวว่ามันจะนํามาซึ่งความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันก็ อาจจะมองแค่ไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่เรากินของอร่อยก็ดีได้อยู่ในที่ที่เราอยากอยู่ก็ดีเนี่ยก็คือส่งผลย้อนกลับเข้าไปในใจคือเราพอใจเราชอบใจก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็ น, เ ป, นเป็นความสุขอันนี้ก็คือข้างนอกนะเพื่อที่จะให้เกิดความสุขข้างในแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เรากาลังทาทาอยู่เนี่ยเพื่อให้เกิดความสุขใจตรงนั้นเนี่ยเราลองดู เรียกว่าระหว่างทางจนถึงความสุขใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นไหมล่ะลองประมวลให้ดีหากกลบกันไปกลบกันมาแล้วเนี่ยทุกข์ใจเราอาจจะมีมากกว่าสุขใจก็ได้นะนั่นน่ะสิเจ้าค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในชีวิตสมมุติในโลกปัจจุบันเนี่ยการมีสตางค์เนี่ยมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องได้จริงแต่ก็ต้องมองลึกเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเราอีกทีนึงถูกต้องถูกต้อง นะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้กําไรหรือขาดทุนจากความสุขความทุกข์ในใจของเรานั่นเองเป็นคาราวาเนี่ยพระเจ้าก็ยังบอกว่าความสุขของคาราวาเนี่ยมันคือความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์แล้วเราก็ได้ใช้ทรัพย์อันนั้นน่ะนะก็ถูกต้องแล้วละ่ะแล้วก็ความสุขที่ได้จากการที่เราไม่มีหนี้เกิดขึ้นเป็นคาราว่าก็ต้องอย่างนี้แหละก็คือก็ต้องหาอยู่หากินให้ได้พูดง่ายคือหาให้มันมากกว่าใช้ มันจริงจะไม่ไม่ไม่ก็ไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนทีนี้เราจะหาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าหาหมื่นล้านได้หมืนล้านนะแล้วเราเราใช้สองหมื่นล้านอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแหละแต่เราหาได้สองหมืนเราใช้หมื่นห้าเราก็ยังมีตังค์ส่วนห้าพันนะเจค่ ะ, นะคะก็วันนี้เนี่ยที่ถามไปเมื่อช่วงต้นรายการเรื่องของการ ความเห็นแก่ตัวที่พูดเนี่ยเพราะว่าในในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเรื่องนี้เยอะมากอันเนื่องมาจากคนอาจจะไม่ได้มองเข้าไปที่จิตใจว่าในการกระทําแต่และอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบกับจิตใจเราส่งผลกระทบกับคนอื่นหรือไม่อันเนื่องจากความเห็นแก่ตัวนี่แหละโยมก็เลยมีคําถามเรื่องของการให้ทานเจ้าค่ะเพราะว่าโยมรู้สึกว่าถ้าคนเราฝึกที่จะเสียสละ ก็คือการให้ทานในทุกรูปแบบนะเจ้าคะก็จะทําให้สังคมเนี้ยอยู่ง่ายขึ้นน่าอยู่ง่ายมากขึ้นเพราะว่าการให้เนี่ยมันคือมันก็ต้องเริ่มที่ใจแหละคือให้วัตถุเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่สิ่งที่มันได้จากวัตถุที่มันคือถ้าเรามองวัตถุเนี่ยมันก็จากตรงนี้มันก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้มันก็เคลื่อนย้ายกันไปกันมานี่ยแหละการที่เราให้ก็คือวัตถุมันเคลื่อนจาก ตรงนี้ไปอยู่อีกตรงหนึ่งจากที่มันอยู่ที่บ้านเรามอาจจะอยู่ที่บ้านเพื่อนอย่างนี้นะซึ่งมันก็คือถ้าเรามองดีๆมันแค่ๆการเคลื่อนย้ายสิ่งของ น, นะแต่สิ่งที่มันได้นอ ก, นอกมากขึ้นมากจากการให้สิ่งของมันย้ายไปย้ายมาเนี่ยคือผลที่มันเกิดทังนั้นจิตใจต่างหากจิตใจทีเ่เวลาเราได้สละสิ่งของว่าสิ่งของนี้นะถ้าเราได้ให้เขาไปเกิดประโยชน์นะแทนที่เรา ให้ไปเนี่ยเราก็รู้สึกยินดีว่าเออมันเกิดประโยชน์กับเขานะเขาได้รับไปเนี่ยเขาก็เอาไปทําประโยชน์ได้สิ่งที่มันมีอุปสรรคหรือว่าอะไรที่มันขัดขวางอยู่เนี่ยแล้วเราให้เขาเขาก็ได้นําไปใช้ไปแก้อุปสรรคแก้ปัญหาของเขาได้เนี่ยสิ่งที่มันได้คือทั้งจิตทั้งใจที่มันได้มีต่อกันนี่แหละสังคมมันก็จะเป็นการพัฒนาไปในรูปแบบที่มันเอื้อเฟื้อกันนะเป็นการที่มันจะมีน้ําใจมากขึ้นเล็งเห็นประโยชน์คนอื่นมากขึ้น ประโยชน์เราที่มันจะได้มากๆแต่คิดว่าถ้าได้มากไปแล้วมันเบียดบางคนอื่นไอเราได้น้อยหน่อยดีไหมเพื่อให้คนอื่นเขาได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยเงี้ยมันก็จะค่อยๆตนขัดเกลาไปเจ้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากจิตใจเราเนี่แหละว่าจิตใจเราเนี่ยทําพูดคิดด้วยลักษณะของใจแบบไหนเจ้าค่ะอืวันนี้ก็อยากจะให้พระอาจารย์พูดถึงอานิสงส์ของการให้ นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะให้เล่าเรื่องของจุลเลกะสาศดกพระอาจารย์เคยเล่าให้โยมฟังแต่ถ้าถามว่าจําได้ทั้งหมดโดยละเอียดหรือไม่ก็จําไม่ได้แต่อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยได้รับฟังไปพร้อมๆกันด้วยเจ้าค่ะจุลเลกะสาศดกนี้เราเคยเล่าไปแล้วนะเจ้าค่ะตอนที่4เจ้าค่ะตอนที่4ซึ่งเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าอันนี้รบรัฐตัดความสักนิดหนึ่งนะก็คือมีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคน ไม่ค่อยมีสตางค์หรอกสมบัติก็มีไม่มากไม่มายอยู่กับภรรยาสองคนก็ ม, น ม, มีผ้าหนุ่งผ้าห่มผ้าห่มก็คือผ้าที่เราจะออกไปข้างนอกเลยก็ต้องห่มผ้าผืานนี้แหละก็ใช้ผืนเดียวกับภรรยาสลับกันออกสลับกันสลับกั น, ก น, กนทีนี้ก็ตัวสามีคือจุเลกัสาดกเนี่ยก็ได้ยินว่าพระเจ้าเนี่ยกําลังแสดงธรรมอยู่ก็เลยไปปรึกษาภรรยาเนี่ยว่าจะ อ, าอยากไปฟังธรรมแล้วเธอล่ะอยากไปฟังธรรมไหม ก็ตกลงกันว่าภรรยาเนี่ยไปกลางคืนเออไปกลางวันแล้วตัวฝ่ายสามีเนี่ยก็ไปกลางคืนก็ไปตอนช่วงค่ำนี่แหละพอช่วงค่าฟังไปสักพักสักพักหนึ่งเนี่ยก็เกิดความปิติยินดีในธรรมอิบเอิกในธรรมแล้วก็คิดว่าสมบัติอะไรเราก็ไม่มีรแล้วก็มีแต่ผ้าหม่มผืนนี้แหละเราก็อยากจะถวายทีนี้ประเด็นมันคือตรงที่ว่าพออยากถวายปุ๊บเนี่ยเขาคิดว่าอถ้าเราถวายไปแล้วนะผ้าห่มอันนี้นะเราก็ใช้ ภรยาเราก็ใช้ถ้าให้ไปแล้วก็ทั้งสองคนก็ไม่มีใช้โดยเฉพาะภรยาเราก็จะไม่มีใช้ก็เลยคิดว่าไอ้จิตที่มันตรณีอันนี้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าครอบงาจิตที่มันเป็นกุศลก็คือจิตที่มันอยากให้ทานเมื่อกี้เนี่ยหมดเกลี้ยงแหละก็เลยยั้งรอไว้ที่จะไม่ให้ทีนี้ผ่านไปผ่านไปจนมัชฌิมยามเข้ามาแล้วเนี่ยก็เกิดความคิดที่อยากจะถวายอีกแล้วก็ จิ ต, ตระีอันนี้มันก็เกิดขึ้นมาอีกครอบงําจิตที่มันเป็นกุศลอันนี้อีกจนสุดท้ายปัฏิมยามคือยามสุดท้ายแล้วแหละก็ยังคิดว่าโอ้ถ้าเราอยากให้นะนะถ้าใจเรายังมีตะณีอยู่เนี่ยเราเนี่ยด้วยจิตอย่างนี้เนี่ยมันจะนําเราไปอบายได้นะถ้าเรายังมีจิตอย่างนี้อยู่ในตัวเราอยู่เรื่อยๆอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่พ้นจากอบายไปได้ก็เลยคิดว่าเอาละ จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะกำจัดในจิตที่มันตระหนียนี้ออกไปให้เราพ้นจากอับายก็เลยตัดใจถวายพอถวายได้เนี่ยก็โอ้ดีใจมากก็เลยเปล่งโองทานว่าโอ้ชนะแล้วนะชน ะ, วชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ว่าให้พระเจ้าปรเสนธิโกศลเนี่ยได้รู้เรื่องราวการตัดสินใจของเขาเนี่ยก็ได้ถวายผ้าให้มากมายจนอ่า ตัวเองเนี่ยก็ถวายไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ถวายหมดจนกระทั่งว่าถึงครั้งที่พระเจ้าเพระเจ้าประเศียรนันทโกรสนเนี่ยถวายไป32มผืนตัวเองก็เลยเก็บไว้2อผืนเอาไว้คนละผืนกับภรรยาแล้วที่เหลือก็ถวายพระเจ้าไปหมดนั่นแหละทีนี้ก็ด้วยการที่ถวายกับพระเจ้าก็ดีก็ได้อานิสงฆ์มากแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ได้กําจัดความตระหนี่ในใจเนี่ย มันก็มีกำลังเป็นจิตที่มันมีกำลังเป็นบุญมากเพราะนั้นอันนี้สมมันก็เลยได้มากไปด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พูดถึงปฐมมยยามมชิมยามแล้วก็ปัจชิมยามใช่ในกรณีของตัวโยมเองโยมน่าจะเข้าใจถูกตามที่พระอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะเจ้าค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำบุญอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามแต่ถ้าแบบว่าพอคิดแล้ว พอรู้แล้วพอรู้ว่ามีบุญนี้อย่างเช่นสร้างกำแพงวัดนี่นะเจ้าคะ่ะโยมก็คิดคิดว่าจะทําแล้วก็ตัดสินใจทําในใน เ, เรียกว่าวูบแรกของความคิดเลยก็ถือว่าโยมตัดสินใจในปฐมยามก็ดีเพราะว่าหมายความว่าก็จะได้อา น, นิสงส์มากกว่าถูกไห<ด>มเ<ด>จ้ า, าคะ่ะไดมากไดมากเพราะว่าอา น, นิสงฆ์เนี่ยของที่จุเลกะัสสดกเนี่ยทําไปแล้วเนี่ยคือถวายผ้ากับพระเจ้าเนี่ย ก็เป็นที่โจทจันทรกันในหมู่ภิกษุก็ได้เอามาคุยกันว่าโอ้อันนี้สเนี่ยมีมากนะจุลิกาศสาดอกเนี่ยถวายผ้าพระเจาก็มีอันนี้สองได้ถวายได้ผ้าจากพระเจ้าพระเศนาธิกุศลแล้วก็ได้วัตถุทั้งปวงเลยอย่างละสอย่างละสเนี่ยมาที่พระเจ้าประเศนาธิกุศลมอบให้นะก็เลยคิดว่าอาศัศจรรย์จิงเลยเนี่ยทำบุญกับพระเจ้าเนี่ยได้บุญมากนะได้ผลมากนะพระเจ้าก็บอกว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะยังไม่น่อาอัศจรรย์หรอกเพราะว่าเขาทำบุญน่ช้าถ้าเกิดเข า, เาข่มจิตตรณีอันนี้ได้เนี่ยในมันชฌิมยามเนี่ยนะสิ่งที่เขาได้เขาไม่ได้แค่หมด4ี่นะเขาจะได้หมดแแต่ถ้าเกิดเขาข่มจิตได้ในวาระแรกคือในช่วงปฐมยามเนี่ยนะเขาจะได้ถึงอา่าสิบหมด16ของวัตถุทั้งปวงเพราะฉะนั้น พูดง่ายคือไอจิตอกุศลเนี่ยมันมาบั่นทอนอ น, นิสง์ของเราไปด้วยอ น, นิสง์ที่มันจะได้นะไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราทําบุญเราก็ไม่ได้หวังอ น, นิสง์นะเจ้าค่ะคือจุเลกาศาดกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําบุญเพื่อหวังเขาจะได้ผ้าได้ทรัพย์สินเงินทองนะเขาหวังว่าจิตอกุศลนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนําเขาไปอบายเขาก็คิดว่าเขาให้เนี่ย เพื่อกำจัดไอจิตระนีจิตประเภทนี้ที่ไม่อยู่ในใจเขานี่แหละก็คือจุดประสงค์คือเขาต้องการซักฟอกใจของเขาแต่ผลที่ได้จากการที่เขาซักฟอกไปแล้วเนี่ยทางด้านภายนอกคือจะได้ภาคดีได้สรัพสมบัติก็ดีเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่มันได้คือบุญบุญก็คือกิเลส ท, ที่มันถูกซักฟอกไปใจที่มันสะอาดใจที่มันผ่องใสใจที่มันได้ชําระล้างจากกิเลสไปเนี่ยมันโดนชําระมากก็คือเป็นบุญมากนี่แหละ ถ้ากิดเาได้ในวาระแรกเนี่ยมันก็ได้กําจัดมากมากกว่าที่ปล่อยให้กิเลสมันเฟื่องฟูขึ้นมาซึ่งพระเจ้านี่ยก็ยังตั ด, ตดพระคาถากับของเกี่ยวกับที่จุลิกาศาศกเลยว่ า, เ, าเวลาทําบุญเนี่ยก็อย่าทําช้าเพราะว่าถ้าเราทําช้าเนี่ยบาปที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันก็จะครอบงําใจเราแล้วเราก็จะไปยินดีในบาปอย่างจุลิกาศาศกก็คือไปยินดีในจิตรนี ถึงสองครั้งนะนะเพราะถ้าเราไปยินดีในบาปเนี่ยเราก็จะไปทำอกุศลได้อย่างนี้ก็แสดงว่าการทำบุญหรือว่าการให้ทานก็ตามทุกครั้งการทำบุญไม่ว่าเราจะหวังบุญหรือไม่หวังบุญแต่อันนี้สองที่เราจะได้อย่างไรแล้วก็จะต้องได้ใช่ไหมเจ้าคะมันเหมือนปลูกปลูกต้นไม้อะอยังไงก<ล>ต็ต้โตแล้วก็ได้ผลกับ<ล>ดอกมันได้โดยอัตโนมัติแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ แต่ถ้าเราปลูกเพื่อหวังดอกก็หวังผลเนี่ยอันนี้มันทําให้เราผิดกระบวนการผิดขั้นตอนนะคือถ้าเราหวังดอกหวังผลเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์นะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยมันขัดทุนในใจเราด้วยเพราะว่าเราเนี่ยทำไปแล้วก็มีแต่ความติดอัดมีแต่ความใจมันหนักใจมันแน่นนะนะเพราะว่า มันมีความจิตที่มันโลภจิตที่มันมีความอยากจะได้ที่มันครอบงำใจเราอยู่นะก็คือบาปตัวนี้แหละอกุศลตัวนี้แหละมันครอบงำใจเราอยู่ตลอดทางเลยกว่าที่ไอตัวดอกและผลมันจะออกมาโอ้วันนี้ขัดทุนมากทำบุญอย่างนี้นะขัดทุนมากเลยอันนี้แหละที่บอกท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจาวันให้ได้อย่างที่ใจเราไม่ขัดทุนใช่ คือเราอย่าไปประเมินเรื่องตัวเงินอย่างเดียวนะอันนี้ทีนี้เรื่องจุลิกาศาศกเนี่ยมันก็มีข้อคิดอีกอันหนึ่งตรงที่ว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ ย, อยงงั้นเราก็ถวายจนหมดตัวทุกครั้งสิเราจะได้อันนี้ส่มากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกหรอกคือทําบุญเราก็ต้องดูที่จิตใจเราสมมุติบางคนบอกว่าจิตใจเราเนี่ยมันดีมากมันปีติมากเราอยากจะมีมีเท่าไหร่เราก็อยากถวายหมดอันนี้ก็ถูกต้องนะแต่ทําบุญเนี่ยจริงๆมันมีตั้งสาขนาดนะ ใ, ให้ทานเนี่ยนะมันมีทั้งสามขณะขณะก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้เพราะฉะนั้นโอเคก่อนให้ขณะใหนะ้เราเต็มที่เลยนะพอให้ไปแล้วนี่กลับไปบ้านป๊บโอยเราให้จนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะแล้วเราก็กลับไปบ้านเราก็ยังไปบอกภรรยาบอกลูกบอกพ่อแม่อย่างเงี้ยว่าเราโหให้ไปหมดเกลี้ยงเลยนะโดนที่บ้านเฉ่งเลย ทีนี้พอเราโดนกดดันแบบนั้นโดนด่าแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังดำรงจิตให้มันผ่องใสปีติในบุญอันนั้นที่เราทาได้ไหมล่ะถ้าทำไม่ได้นะเราก็สู้ให้ทั้งสามขณะเนี่ยมันบริบูรณ์ดีกว่าหมายความว่าเราก็ทำน้อยหน่อยเพื่อให้ก่อนให้ก็ดีขณะให้ก็ดีและหลังให้ก็ดีเนี่ยเราก็ยังปีติในบุญได้ทั้งสามขณะเจ้าค่ะ หมาควาว่าสมมติว่าเราบอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเรามีหมื่นหนึง่งคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเออเฮ้มันมีค่าใช้ใจ่ายอยูนะสักสามพันอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยเราอยากทำหมื่นหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็ทำหมื่นหนึง่งอันนี้มันเหมื่นถวายหมื่นหนึ่งก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าถวายหมื่นหนึไปแล้วเนี่ยไอ้สามพันที่เราจะต้องรับผิดชอบหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่มาเบียดบังใจเราได้แล้วเราก็ แก้ไขอุปสรรคปัญหาไปได้โดยที่เราไม่ต้องมาหวงคิดว่าอุ้ยไม่น่าทําทหมดเลยใช่หรืองนี้เหลือกักไว้สักสามพันก็ดีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ขาดทุนนะเจ้าค่ะนี่ขาดทุนทั้งบนขาดทุนนะเพราะว่าทานเราที่ให้ไปมันก็เศร้าหมองไปด้วยอหลังทำทานเราก็เลยเศร้าหมองไปแต่ทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบอีกนิดหนึ่งนะอย่างพระเวสสันดรเนี่ยพระบริษัทเนี่ยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยท่านก็ให้หมดเหมือนกันนะแต่ต่างกันตรงที่ว่า ไม่ว่าใครจะมากล่นดา่าท่านเท่าไหร่ครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยท่านก็ยังปีติยินดีในการให้ทุกครั้งนะก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้นะใครจะด่ายังไงก็ยั ง, ย ง, ย ง, ยงรู้สึกอยากจะให้อยู่อีกยังอยากจะให้ยังมีปีติในการให้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูที่ใจเป็นหลักนะดูที่ใจเป็นหลักแต่นี้ถ้าเราทาไปแล้วเนี่ยถ้าเรา มีเมตตาต่อคนอื่นด้วยหมายความว่ามีเมตตาต่อครอบครัวเราคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยทำให้พอประมาณเนี่ยหมายความว่าทำไปแล้วถ้าเราทำแล้วเราดีคนเดียวนี่ก็ยังไม่ดีนะถ้าเราทำไปแล้วคนรอบข้างเขาสรนเริญเราเนี่ยใจเขาก็เป็นบุญไปด้วยเพราะฉะนั้นมันมันก็จะดีมากถ้าเราทำไปแล้วเขาคนรอบข้างคนครอบครัวเราเนี่ยเขาก็ปฏิติไปกับเราด้วยเนี่ยอันนี้มันจะดีมากกว่า เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่กำไรเรลคนเดียวแล้วนะกำไรในหลายๆคนเลยแหละเจ้าค่ะคือพระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วแหละเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจยมอยากจะถามว่าถ้าบางคนที่อาจจะไม่ได้ให้ตั้งแต่ปฐมยามก็คือว่าคิดนี่แหละคิดถึงเหตุผลในชีวิตความจำเป็นในชีวิตปัจจุบันเช่นว่าอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวที่จะต้องแบ่งปันสามพันเพื่อ ทำแค่เจ็ดพันแล้วคนในครอบครัวไม่เดือดร้อนอมไม่โดนภรรยาที่บ้านบน่นลูกไม่ว่า อ, อย่างนี้น่าจะได้กำไรมากนะเจ้าคะแน่นอนเพราะว่าทานที่ให้ไปเนี่ยเราไม่เศร้าหมองเลยเราคิดถึงทานอันนี้ทีไรคิดถึงเมื่อไหร่ใจเราก็ปีติยินดีขึ้นมาก็เป็นบุญเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นท่านถึงเน้นว่าก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้นะเนี่ยถ้าเราทาได้ทั้งสามขณะเนี่ย ทาเราไม่เศร้าหมองเลยทานเราเนี่ยคิดถึงเมื่อไหร่เมื่อไหรเนี่ยก็ยินดีใจเราก็จะสบายตลอดเลยเพราะฉะนั้นทําพอดีพอดีอย่างว่ามันดีมากเราก็ดีคนรอบข้างเราเนี่ยเขาก็จะดีไปด้วยหมายความว่าการที่เราให้แบบพอดีพอดีนะเราก็ทําให้ เ, เรียกว่าคนรอบข้างเราที่เขายังไม่เคยให้ทานเขาก็จะมาให้ทานกับเราด้วย เราชักชวนเราทำแล้วมันมีประโยชน์ทำแล้วมันเห็นผลที่มันดีเขาเห็นเราชักชวนด้วยใจที่มันดีอย่างนั้นเน่ะเขาก็อยากจะทำเพราะก็ทำเขาก็ได้บุญนะเพราะฉะนั้นทำแล้วเนี่ยมันถ้าเอื้อคนอื่นไปด้วยมันก็จะดีมากแล้วก็เอื้อเอื้อกันไปทำแล้วก็พาคนอื่นไปในทางที่ดีกับเราด้วยอะไรเงี้ยมีอีกกรณีหนึ่งนะเจ้าคะ่ะอ่อกรณีสมมติว่า คนในบ้านเราหรือว่าเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นคนชอบให้ทานเห็นการให้ทานของเราเป็นประจำแล้ว<ข>มันไม่ยินดีเหรอใช่ใช่ถ้าเกิดเขาไม่ยินดีเนี่ยเขาบาปไหมเจ้าคะมันก็บาปสิจิตที่มันไม่คือตัดสินกันว่าเขามีอกุศลเกิดขึ้นไหมละ่ะถ้าเขาโอ้นี่หน้ามันไส้นะอยเี้ยจิตเขาเป็นอกุศลแน่นอนเขาก็เป็นบาปไปแล้ว อันเนื่องมาจากว่าเขาอาจจะเป็นคนตระหนี่อยู่เดิมแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าหรือว่าอา น, นิสง์ของบุญจากการให้ทานแล้วก็รู้สึกว่าคือคือเขาไม่อยากทําแล้วก็เสียดายสตังค์ได้เห็นคนอื่นทําก็แบบอู้เสียดายแทนคือเขาเรียกว่ากิเลสมันก็ฉลาดในแบบของกิเลส น, นะนะคือกิเลสเนี่ยมันทําให้เห็นว่าเรื่องดีเป็นเรื่องไม่ดีและเห็นว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ต้องเน้นมากๆเลยว่าเราต้องมองเห็นให้มันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องทำความเป็นจริงเนี่ยคือเรื่องดีเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ให้เน <Haw> <Why S 1> ี product, go, ่ยคือบางทีคนเรานี่ติดภาพลักษณ์นะว่าคนเนี้ยเราไม่ชอบหรือเราคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยพอเราติดภาพว่าเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยทุกๆอิริยาบถของเขาเนี่ยมันจะเป็นคนไม่ดีซึ่ง ถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้ถือว่าเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะจริงๆแล้วเนี่ยคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยมันเป็นแค่ขณะขณะเท่านั้นแหละถ้าขณะไหนที่เขาทําความดีเขาก็เป็นคนดีแต่ขณะที่เขาทําไม่ดีก็คือเขาเป็นคนไม่ดีแต่อันนี้อันนี้คือทั่วไปก่อนนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรามองเข า, มาไม่ดีหรือมองเขาดีเนี่ยมันไม่ใช่มองเขาว่าเขาทําดีหรือเขาทําไม่ดีแล้วนะ ในปัจจุบันนี้<จ>มันเป็นว่าเขาทําถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราถ้าถูกใจเราก็เป็นคนดีในสายตาของเรานะพอเขาทําไม่ถูกใจเราเขาก็เป็นคนไม่ดีในสายตาของเราซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะทําดีก็ได้แต่มันไม่ถูกใจเราเขาก็เลยเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่เอามาตรฐานตามใจแต่เอามาตรฐานความจริงมันถึงจะไปรอดนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําดี มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะทําบุญมากหรือทําบุญน้อยมันเป็นสิทธิ์ของเขานะทีนี้มันดีไหมล่ะทําบุญมากก็ดีทําบุญน้อยก็ดีมันคือใี่ทําดีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องอนุโมทนาบุญแต่บางทีบางคนก็บอกว่าไอ้คนเนี้ยมันทําดีเอาหน้านะมันทําบุญเนี่ยมันก็เสียแซงเพื่อมันอยากจะได้สมมุติว่าเป็นประธานทอดผระป่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันทํามันอยากจะได้หน้าระเจ้าองว่าหรือไม่ทําแล้วก็อยากจะได้บริวารเสนอหน้าเพื่อเอาผลประโยชน์อะไรก็ว่ากันไป ซึ่งไอตอนนี้เขาชวนคนทําบุญอนะ่ะมันเป็นสิ่งดีนะอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญบเขานะแต่ไอตอนจังหวะที่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาจะทำเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรของเขานะแล้วเขาเป็นคนไม่ดีมันต้องแยกกันนะสองขณะ2แบบซึ่งมันหักกบรบลบหนี้แล้วเนี่ยเขาทําดีแต่ด้วยจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยผลที่ได้มันก็จะน้อยน้อยไปตามนะเพราะว่าจิตมันไม่ได้โดนขัดเกลาไปอยแล้ว แต่สิ่งผลประโยชน์ภายนอกมันเกิดขึ้นได้แต่พูดง่ายคือประโยชน์ข้างนอกได้แต่ประโยชน์ข้างในขาดทุน <int il itation> บางคนประโยชน์ข้างในก็ได้ประโยชน์ข้างนอกก็ได้อย่างเงี้ย re. ซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าประโยชน์ข้างนอกอ่าขอโทษเราไม่รู้หรอกว่าประโยชน์ข้างในเนี่ยเขามันเป็นยังไงแต่เราเห็นว่าประโยชน์ข้างนอกมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องอนุโมทนานบุญไปกับเขานั่นแหละถึงจะถูกนะไม่งั้นจิตเราก็เศร้าหมองซะเปล่า เราก็ขัดทุนใช่เราก็ขัดทุนตั้งแต่เราคิดแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นก็ได้ใ ช, ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใชใช่อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าคนไม่ชอบทำบุญหรือว่าทำทานอืก็อย่างน้อยๆเนี่ยจิตใจก็ไม่ควรจะไปตำหนิติเตียนผู้ทำบุญโอ้แน่นอนเลยคือมิธีทำบุญมันมีหลายอย่างนะแต่สิ่งต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันลงมาที่ใจเราเนี่ยแหละ คืออย่างน้อยๆเนี่ยทาไปแล้วใจเราก็จะเป็นใจที่สะอาดหมายความว่าใจเราก็จะไม่หลงไปในความคิดที่มันไม่ดีคิดไม่ดีคิดยังไงล่ะก็อย่างที่เราว่าไปข่าวที่แล้วก็คือเราต้องมีมักแปดเป็นธรรมนูญ น, นะมักแปดเนี่ยสัมมาสังกัปปะก็ว่าด้วยความคิดก็คือเราไม่คิดที่จะเบียดเบียนเขาไม่คิดที่พยาบาทเขาไมา่แล้วก็คิดที่ ดมัมเรที่จะออกจากการหมายถึงจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยทีนี้การที่เราว่าโอคนนี้นะมันทําบุญเยอะเกินมันโอ้เกินไปหรือเปล่าอันนี้มันก็คือเราคิดที่เบียดเบียนเขาเมันกันนะแล้วก็บิดเบียนตัวเราด้วยเพราะเราเนี่ยก็ไม่อยากทําบุญมันก็เบียดเบียนตัวเราเหมือนกันหรื อ, อคิดว่าโอ้ทนี่มันทําบุญเอาหน้านะก็คือเราก็คิดไม่ดีกับเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ สิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยเอาออกมันจากความคิดเราเอาออกมันจากใจเราให้ใจเราเนี่ยดำรงอยู่ในมรรคก็คือไม่คิดไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ดีเนี่ยคิดยังไงให้มันเป็นไปเพื่อสมัครสมาชิมคคีคิดยังไงเนี่ยให้จิตกุศลเราเกิดขึ้นได้บ่อยๆอันนี้ควรทำานะค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้บอกท่านผู้ฟังหน่อยว่าในกรณีที่คือสรุปว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ การทำบุญการให้ทานดีทุกอย่างดีทุกประเภทแล้วก็ให้ดูมาถึงจิตใจเราด้วยนะเจ้าค่ะ อ, อยากให้แนะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนิดนึงว่าในกรณีที่เป็นคนตรณีหรือว่าไม่ได้ชอบทำบุญทำทานหรือว่าไม่เห็นอานิสงส์ของการให้ทานการทำบุญก็ตามเนี่ยเราจะมีวิธีฝึกยังไงให้ ท, ทานอ่ะคือบางคนก็มองถึงแต่เรื่องที่ว่าให้ของให้ตังเจ้าค่ะอ น, นะจริงมันก็ไม่เชิงหรอก คืออะไรก็ได้เนี่ยที่เราทำได้ด้วยตัวเราที่มันเป็นประโยชน์ับคนอื่นมันก็เป็นให้ทานเหมือนกันนะอย่างเช่นเราไปสมมติว่ารถเสียก็ได้รถเสียเขากาลังเขียนอยากจะให้มันสตาร์ทิดเนี้ยนะเราไปช่วยเขาเนี่ยมันก็เป็นการให้ทานแบบหนึ่งนะแต่มันเป็นให้ทานด้วยกำลังของเราอะของเราเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือเราทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์คนอื่นได้เนี่ยด้วย วัตถุก็ดีหรือว่าด้วยกำลังกายของเราก็ดีเนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นแหละมันเป็นการพูดง่ายคือมันเป็นการขัดใจเราเนี่ยคือใจเราเนี่ยไม่อยากเอื้อเฟื้อไม่อยากช่วยเราก็ช่วยซะมันก็เป็นการที่ทำทาให้ใจเราเนี่ยมันมันโดนขัดจัดความไม่ขี้เกียจขี้คลานก็ดีหรือความที่ว่าอา่เป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยถ้าเราเป็นคนเอื้อเฟื้ออย่างเงี้ยเนี่ย มีเจอใครเดือดร้อนแล้วก็ช่วยไม่จะเป็นต้องให้ให้ตังหรือว่าเสมอนะคือเราช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆเ น, นี่ยมันมันเป็นมันก็คือให้ทานแบบหนึ่งนั่นแหละสมมติอย่างเจ้านายเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ทานลูกน้องไม่ได้นะหรือไม่ลูกน้องไม่ใช่ว่าให้ทานเจ้านายไม่ได้นะได้นะอย่างเช่นสมมติเราเป็นเลขาหน้าห้องนะแล้วก็มีคนเนี่ยอ่าอย่างหัวหน้าฝ่ายหนึ่ง ทำหนังสือมาเสนอหัวหน้าอีกฝ่ายนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นเลยขาหน้าห้องเงี้ยนะแล้วก็แทนที่ว่าเราจะโอ้ดองหนังสือเอาไว้ก่อนเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาเงี้ยนะซึ่งบางทีเราเห็นว่าอา้าววิเขาพิมพ์ผิดนี่หรือไม่ก็เขาเอา่ายังเอกสารไม่ครบหรืออะไรเนี่ยเราก็ช่วยอำนวยความสะดวกเขาว่าอ้าวเอกสารตรงนี้นะเดี๋ยวคุณพี่ต้องเพิ่มตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้พิมพ์ผิดนะเดี๋ยวช่วยแก้นิดนึงนะ ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเอามาเลยก็ได้เดี๋ยวจะได้รีบเอาไปเสนอให้เอาว่านี้เป็นเรื่องด่วนนะอันนี้แหละมันก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งนะแล้วมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าใจเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่ามีสัมพันธ์กันมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันเนี่ยแล้วความรู้สึกดีๆมันจึงเกิดขึ้นนะเพราะว่าเรามีตรงนี้แหละมีการถ้าเราบอกว่า เราไม่อยากให้เลยนะไม่ให้คือไม่ให้ความสะดวกกับเขานะเราก็ทําได้นะเป็นสิทธิ์ของเราแต่สิ่งที่เราได้ก็คือก็ตามขั้นตอนธรรมดาแต่เราก็ไม่ได้น้ําใจที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่เราทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นที่จะคิดแล้วใช่อาจารย์พูดและเห็นภาพนะเจ้าคะ่ะเหมือนเหมือนพระอาจารย์ไปอยู่ในหน่วยงานองค์กรอะไรสักหน่วยงานหนึ่ง <laughs> <laughs> อย่างที่ทํางานก็ถ้าสมมุติว่า ทุกฝ่ายในองค์กรหนึ่งให้ความสะดวกแบบเนี้ยกับเพื่อนๆร่วมงานหรือว่ากับคนที่เขามาติดต่อในหน่วยงานของเราอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกที่จะให้ทานถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้อง เ, ออเห็นใจเราก่อนอเห็นใจเราก่อนว่าไอ้ตอนนี้ใจเราเป็นลักษณะใจยังไงเอ้ใจเราไม่อยากทำแล้วเราเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราถึงไม่อยากทำ เนี่ยเราไม่เคยนะบางทีพอเราไม่อยากทำเราก็ไม่อยากทําก็ปล่อยอํานาจให้ไอ้ความไม่อยากเนี่ยมันมาบงการเราแต่ทีนี้ถ้าเรามีไอ้กระบวนการของใจเพิ่มขึ้นไปนิดนึงว่าเราไม่อยากทําแล้วรู้ไหมละ่ะว่าอะไรอะไรคือเหตุผลของการที่เราไม่อยากทําอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งไม่ชอบขี้หนา้าหรือเขาหรือเปล่าเขาเคยเ อ, อ, อาจจะเคยแกล้งเรามาก่อนหรือเปล่าหรือว่า อยูด่ดีๆวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีจากคนนู้นคนนี้มาแล้วเราก็มาผ่านใส่เขาหรือเปล่าซึ่งถ้าเราเห็นด้วยเหตุผลที่มันมันมันเป็นเหตุผลไม่ดีนะแบบนี้เราก็ต้องหักใจเราพลิกใจเราให้ได้ว่าให้เราเนี่ยเอื้อเฟื้อกับเขาให้มันตามปกติที่มันควรจะเป็นให้ได้อย่าปล่อยให้อำนาจความที่ใจเรามันขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ยไม่ว่าจะมาจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทาให มีอำนาจที่เราจะทำไม่ดูไม่ไมดีกับเขาไม่ดีกับคนอื่นอย่างนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคอยสังเกตก็คือสังเกตใจเราแหละว่าใจเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงอยู่แต่สิ่งที่จะทำให้เรามาสังเกตใจเราได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างอุปนิสัยนั่นแหละสร้างอุปนิสัยให้เราเห็นใจเราบ่อยๆสอบทวนใจเราบ่อยๆว่าใจเราเนี่ย เป็นอ ก, กุศลไหมหรือไม่เป็นอ ก, กุศลหรือว่าเราทําไปเมื่อกี้นี้เนี่ยด้วยอํานาจของกุศลหรืออ ก, กุศลเนี่ยถ้าเราไม่สอบทวนเราไม่ฟังไม่สร้างนิสัยตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นวัฏจักรดเดิมๆนะมันก็จะเปลี่ยนอะไรไม่ได้จค่ะตัวโยมเองเนี่ยก็ฝึกอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยอยู่พยายามดูตัวเองอยู่ทุกวันนะเจ้าค่ะก็บางวันก็รู้สึกว่าเราได้กําไรแต่บางวันเราก็รู้สึกว่าเราขาดทุนอืแต่ก็ ถามว่ามองเห็นตัวเองมากขึ้นหรือว่าอะไรเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะต้องทําอะไรสองตลบเหมือนกับ ม, มันจะมองเห็นเป็นเห็นเป็นภาพสโลสโลว์ที่มันมันจะช้าลงแล้วมันก็ทําให้ให้เราค่า<อ>เรียๆลงซอฟลงนี่แหละเขาเรียกว่าอำนาจของสติที่เราฝึกเนี่ยมันก็ทําพอสติเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นตัวย้งให้เราว่าหนึ่งเราจะทำหนึ่งหรือเราจะทำสองเราจะทำสามเนี่ย สติที่มันเกิดขึ้นมันเป็นตัวยั้งก่อนว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีหรือว่ามันเผลอไปแล้วแล้วจะปล่อยให้มันไปตามที่เผลอมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวสติเนี่ยมันจําเป็นมากในชีวิตประจําวันเราแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีสตินะทุกคนมีสติแต่มันไม่ใช่สัมมาสติแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกสัมมาสติให้มันเกิดขึ้นให้ได้บ่อยๆบ่อยๆเพื่อที่มันจะทําให้ธรรมะทุกๆตัวเนี่ย มันสามารถที่จะเจริญงอกงามได้เจ้าค่ะก็อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะว่าถ้าถ้าเราเริ่มต้นที่จะฝึกที่ยอมเริ่มต้นที่การคาว่าเสียสละคำว่าการให้หรือว่าการให้ทานเนี่ยก็เพราะว่าถ้าทุกคนฝึกที่จะเป็นผู้เสียสละเชื่อว่าในสังคมทุกวันนี้ก็คงจะทำให้สังคมร่มเย็นน่าอยู่ ไปที่ไหนก็น่าจะเจอแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขนะเจ้าค่ะใช่ๆแล้วก็คิดว่าจำเป็นมากๆสำหรับถ้าทุกคนได้มาฝึกสติกันเนี่ยมันจะเป็นมากๆถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิต เ, าเราเนี่ยความทุกข์ก็มีน้อยลงแล้วก็ความสุขที่เรามีทางด้านจิตใจเนี่ยก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามอำนาจของกำลังสติที่เรามีนี่แหละ เพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาสัหน่อยหนึ่งตราบใดที่ทุกคนมีลมหายใจนะทุกคนก็มาฝึกสติได้บางคนอาจจะบอกว่างานมากไม่มีเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราฝึกสติได้ทุกๆขณะนะเราทำงานแล้วก็ฝึกสติของเราได้เราจะทำอะไรแล้วก็ฝึกสติของเราได้ยกเว้นตอนเราหลับนะแค่นั้นเองเพราะนั้นเราพยายามพยายามทาให้มันเกิดขึ้นบ่อย คือไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งยากนะแล้วมันเป็นสิ่งที่อของง่ายๆเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยนะไม่สอนอะไรที่มันยากๆหรอกพระเจ้าเนี่ยสอนอะไรที่มันง่ายสุดตรงสุดดีสุดแล้วก็ถ้าคนทําเนี่ยต้องได้แน่นอนแน่นอนเลยเจ้าค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ร่วมกันฝึกเราสามารถมีลมหายใจได้ในทุกขณะเช่นถ้าสมมติว่าเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเราก็ ดูลมหายใจไปด้วยก็ทำงานอยู่ก็ดูลมหายใจไปด้วยได้ทีนี้แต่อย่างขับรถเนี่ยนะเราก็ต้องเขาเรียกว่ามีสติในการงานเราก็เอาสติเราเนี่ยมาอยู่กับกันแต่ถ้างานอันไหนที่มันยังไม่จำเป็นจะต้องมีสมาธิที่มันมากนะเราก็มีสติในลมหายใจได้อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างสมมติว่าถ้าเราขับรถไปเงี้ยแล้วมันเกิดใจแล้วมันแนวอยู่กับลมหายใจซะอย่างเดียวนะวันมันก็เกิดอุบัติเหตุได้บ้างนะ ก็แบบไม่ออกมาทํางานเลยโอ้โหอยู่กันลมอย่างเดียวนี้ก็เขาเรียกว่างั้นเอาเอาใหม่เอาให้มันมีสติในการงานเราเราจะเลียวซ้ายเาจะเลี้ยวขวาเราก็รู้นี่เขาเรียกว่าเป็นท่านในอย่างมหาสติประสานประสาน4เนี่ยท่านก็เรียกว่ามาีสติในการงานก็คือมีสติในระยาบทนะ่ยนะในทุกๆระยาบทของเราเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราอาบน้ํากินข้าวอย่างเงี้ยนะเรามีสติในการที่เราจะมาดูลมหายใจได้ อย่างเงี้ยเพราะมันเป็นการงานที่มันไม่ต้องคอยระแวดระวังอะไรมากเพราะนั้นอย่างเงี้ยเราอย่าปล่อยใจให้เราเผลอไปตามรถอย่าปล่อยใจให้เราเผลอไปตามสัมผัสที่มันเกิดขึ้นเอามันมาอยู่กับลมแค่นี้แหละทำง่ายง่ายในชีวิตประจาวันน่ยเราทำได้ตลอดเลยตราตราเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ฟังเรามาฝึกที่จะมีสติ อยู่กับลมหายใจฝึกที่จะมีสติอยู่กับการงานในชีวิตประจําวันแล้วก็มาฝึกการให้เพื่อทําให้สังคมของเราน่ายอยู่มากขึ้นนะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะอยากให้พระอาจารย์ฝากทิ้งท้ายถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยเจ้าค่ะก็เดี๋ยวจะฝากว่าธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทําได้แล้วทุกคนก็สามารถที่จะลดทอนความทุกข์ ของใจเนี่ยได้ด้วยความสามารถของทุกๆ ท, ท่านเองโดยที่พระเจ้าเนี่ยก็ให้แนวทางวิธีการมาแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามีสติที่คุ้มครองใจเราอยู่นี่แหละมีสติที่คุ้มครองให้ใจเราเนี่ยไม่หลงไปทําอกุศลเห็นว่าอากุศลเกิดขึ้นก็ไม่ทํามีสติคุ้มครองไว้เห็น อ, อกุศลเกิดขึ้น ก็พยายามทำให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่สำคัญคือมีสติที่เกิดขึ้นจนใจมันตั้งมัน่นแล้วเห็นโลกเห็นสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละทท่านก็จะสามารถหลุดพ้นจากบ่วงของความทุกข์ไปได้เพราะนั้นรายการวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว กราบลาพระอาจารย์พร้อมๆกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะกราบนมัศการพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตแล้วก็ลารายการธรรมะสบายสบายดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดิ์ผู้ร่วมดําเนินรายการก็ขออนุญาตกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะเจรพร